ใคราดเสริญนุเติดทำไปกดไม่ี่เส้นฟ้าเนี่ยว่างตัขึ้นมาลบเจ็สังสั่หรือเปียบว่าคือสำมีแห้งน้ำนี่นี่เขาได้กระบนีน้ำผมเปียบหลายอย่างนี่คือส้วนใหญร้อน ม, มัดส้นนั้นมัดส้นนี้ดึงทางเทงนะตัดตรงกลางค่าตั้ดึงโบว์โบสถผอันนั้นผมเปียบไปแล้วก็อีกบทมีมีท้าบาของ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 แล้วก็มาแยกแยะให้ฟังพวกเราจะบอกเข้าใจถ้าพวกเราบอกเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติมันก็บอกเข้าเรื่องเข้าเรามันก็บอกเข้าหลอกได้เขา ม, ขมันเป็นอย่างนันอันนี้จึว่าพยานรณม ท, ที่แท้หอดีมันจืดมดแล้วก็คลายคายคือดักแด้ตัดคาดแล้วดึกดักแด้อไปใด เขจะเอาต้มเอาต้มแล้วขจะไปซาเอาในเอาเอาเอา ม, มตัวน้นสุดด้านในมันเป็นอามาเขา้าก้อมันเป็นอเป็นอ่ตอนเตารวมสุขประเทศนี้เืินซือบได้รูจักหมื่นล้านแสนล้านกับซือบดให้ผู้อื่นทำแทนกับบได้ถ้าทาผิดมาแต่ต้นแล้ว การปฏิบัติธรรมะของพวกเขามันอิบนทะี้าหน้าถ้าหากทำเราทำผูกมาเป็นต้นเราการปฏิบัติธรรมะของเขามันอวันทีห9นะ้ามันจะเอาทันที่อย่างทวารให้สั่งให้พวกเขาทำตกลงบึ้งเมืนะ่อวันที่9น้าหนระือเมื่อวันที่6น้าผพว่ามื่อวันที่9นะ้าเพราะาพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดไวหลายย่างเนี่ยตับทั้งหลายคือเราระถาพตเนี่ยพอแหลก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 จังหวาของตั้งใจปฏิบัติเพอที่ซีนิพนวากับตั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตถึงแรงแห่งนั้ น, น, น, น, นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้น่ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเบือนกันกันกบกองค์ทีเจ้า คือว่าเอาพยายามทำไปจังติดต้นเอาไป็ต้นต้นที่หละให้ไปตามขั้นตอนไปอย่างที่พระพทุทธเจ้าตรานั้นถ้าห้าเขาบววเทศจังตีเขาบกแก้ตวนีรีสะก่อนเดียวไต่ ย, ยาปฏิบัติธรรมะที่บก้าวหน้าการปฏิบัติธรรมะข้าวหน้าคนวันมันต้องไปจิตต้นไปทายคือหอนปลูกต้นไม้นี่แหละออาให้ปุย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 บนเงี้ยกำไรคือเอาไปอันนี้ไปขายอันนี้บนเมี้เนี่อันพ่อผู้ยึดยึดคนทุกตะย่างคือเอาคนไปนั้นคนว่าอย่างไรทำหนะอันที่ผมได้อยู่เดี๋ยวนี้บนเงี้ของผู้ใดทั้งหมดเป็นสากลเป็นของทุกคนบนเง่้ยเป็นของศาสนาพุทธบนเงีเป็นของศาสนาพาหมณ์บนเงี้เป็นของศาสนาคริสบนเง่้ยของคนไทยบนเง่้ยของคนจีน บนญแมนของคนบุญแม่ของคนขวาร่างบุญแค่ของคนบุมของคนอังกฤษบุญแม่ของคนอันนี้ได้ป่าบุญแม่ของคนอียปุตนไต้หวันมียังเป็นของผู้หูหูแล้วจะสงวนเรื่ข้อศิษยบได้หูแล้วทำลายโบได้อันเพราะมันเป็นอังสั้นอยู่เดียถ้าเขาทำทูกตอหลังหูเะยสงวนเรื่อข้อิษย์ยางหูนะเจ้าบได้หูแล้วทำลายก็ตายก็เขบได้ เื่ามันเป็นไตามหน้าที่ออกมาที่ผมนํามารอให้สันงเพราะวเขาในในเขาว่ากันแล้วว่าจีพยายามผิดทันให้ออกปฏิบัติครูเป็นอาจารย์ของคนสอนคนให้มันเป็นนีงผมจึงพยายามปรับปรุงพวกเขาให้รู้จักจริงๆถ้าหากโบ้จักจริงๆแล้วมันจือบดีทุกคนต้องเปลี้ยนได้ทีเดียว เเขาตัดมือเขากดก้อนมือยักเพ็รกูโบเพชรมือยักทานกูบทนมื อ, อยกววกักเบากูโบเบาเห็นกิเลอันนี้ทิกิเลจึจะเป็นยางเหนียวคื อ, าอยางมะมีของวานเาวันมันติดยางมะมียางมขนมเอาน้มั น, า ม, น, น, น, าน ม, ามาใสล้วมันกล็ออกกนกนลื่นออกทุกกะตุงก้อนออกไปลอันนี้ก็คือการเขาตัดทิ้งแล้วเอามาติดตึนกรบมีน แ, แล้วเขาจะทิ้งเลเดันเป็น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 มีผระเจริื้นนุ่สังคาพื้นนุ่งพระเสบงสองพื้นพระอาสาสองพื้นพอใส่แหละมากกว่าขัา้นกว่าถือปิ่นกิเลสแล้วถ้าเะบงสองพืนให้ยางเต็มนุื้นนี้อาบน้ำพื้นนั่นมันเอาอาบน้ำแล้วก็มาถัดเปลียนกันพ้าสาพื้นนี้เอาเออกไปซักพืนหน้ากับออกเี หัดเปื่นกับทุกมือทุกมือซักทุกมือแล้วก็บวมมืบวซักท่าอังศาซักซูมือ้าสมบงซักซูมือเจ็ดทาจีวรแถปกเอามาห่มมู่ขึ้นมาหะมู้นาาี้น ร, รู้จักร็อกใส่ท่าจีวรผัดห่มสบายแลยก็แล้วไปใส่กระบอกอยู่เครื่องหลแต่โบได้ซอกหะว่ายาเจ็บแค้นเจค่ะอยาอนนอกยารนั่งกูพิเศษแน่เลยวะนี่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 เพราะว่าดึงโบออกคล้ายๆคือหอยหอยนี้เมันตไตแตกกิบก่บั น, นี้เาบต้มแต่มันเข้าไปในปอกหมดบัตนี่เาจิตตเอามากินเขาต้สมสุกเลยเ อ, เอามาันตีบเน้ออกมากระเบิด อ, บออกมาเกออกัาเนื้อโตกระเบิดออกมาเกิดั น, น, นเพราะมันขาดดึงมันขาดคือเสื้อในล่อนดึงแล้วบถึงกันแล้ที่นี้ประโยชน์มันจะของสิ่งสำาัๆ มันเป็นของตัวของลายของปุกๆที่สุดยางโอ้เพียงบ่งผมงฟิดซืซีเนี่ยทำไมมาเป็นนั่อืบนะครับยื่นรัาผมวาทาอีกหมอหอบาเขาเจ้าหาว่าผมผมพระพุทธเจ้าบซอร์เป็นผู้มีเนตตาเด้งวาพระพุทธเจ้ามีเท็นดิตคนไก่ฆาคนตั้งหากเลยข้าเจ้าบุให้จัดโอ้ขุวาอาจารย์ขุมวาหนูว่าในว่าแม่นน่มันจ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 จิญญต concept, like e today, ตังยัตตนกกปฏิอสกังยัะสังเทมังเอตามังคลมุตตามังสุดจิตสอยานี้เป็นมงคลอันสูงสุดมนนษยได้เทวดาผู้ด่างทำแล้วมีแล้วให้เกิดให้มีแล้วไปใส่มาใสโดยไม่เป็นทุกข์วันนี้พุทธสโลกธรรมมีจิตตัง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 พุทธะโลกธรรมีจิตัญญสันนะคับทุกทนพุทธะโลกะธรรมจิตตันญสันสัญคิปผู้ไดตั้งมังง่นสัญค <fun ut> ิปผู้ไดนั้บันนี้่แเอาโศกกลางจิตบ่เศร้าโศกจิตบ่ขุนมัวจิตบ่เศร้าหมองมันกำเนย่งสันอันนั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าสันปณวิรัชังวันนี วิรักจังว่าเป็นจิตไรสุรีจิตบดมีขยะเจือปนคล้ายๆขุยองกระเห็ดน้ำว่าน้มคุณนาบกคุนคิดตรงทีดเด่นเหมันคิดซื้อเห็ดนามคุ ณ, ค ณ, คณจิตไรสุรีเป็นสะไรเนาะอันนั้นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าเองเถอะมังเป็นจิตปุกเกษมเพราะน้ อ, นองคน อ, อุเบกขาจิตพลุกจิตบ่นพลุก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 ให้หนูรู้อยู่กับปัจจุบันเน้อแต่เธอต้องทำปัจจุบันเนะือมันเป็นยังไงลูกมันกันงกวลพวกเขาพแกแเหานี้บิดเบี้ยการคิดหาลูกคิดหาหลานคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้คิดหาการอยู่การกินเลี้งยงลูกเลี้ยงหลานเด็กมันก็เป็นอดีตอนาคตด้จันจึงว่าให้หางมุดจากว่าอดีตอนาคตดูด้เข็งอาวะเต็นอวศาสตร์แล้วศาสตร์นาพู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 เพราะจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแต่ทุกวันี้ต้องรู้ไปแดแท้เห็นไปแด่แททุกเกอทุกมุมอันเห็นนั่นก็เห็นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติเนี่ยคันปกติแล้วก็จิตใจครองใส่แล้วสามารถมองเห็นกิเลสแล้ววัฏฏิอยู่ในตัวนี้จิตใจครองใส่